แฟนเก่ายังห่วงใหญ่เรื่องนี้คุณามได้ส่งมาให้ทางสมผัสสยองของเรานานพอสมควรแล้วครับแต่ก็มีเหตุที่ไม่ได้ทำคลิปนี้ออกมาเวลาผ่านไปนานพอสมควรแอดมินได้กลับมาทบทวนดูอีกครั้งพวกเราจึงตัดสินใจว่าจะนำเรื่องนี้กลับมาเล่าอีกครั้ง แต่จะเป็นการเล่าในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะแตกต่างออกไปถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยครับสัมผัสเสียงเวลาเที่ยงคืนขณะที่ผมกำลังนอนฟังเสียงสายฝนสาดกระทบหน้าต่าง ผมพยายามข่มตานอนแต่ก็ทำไม่ได้เสียงฝนคืนนี้ฟังแล้วชวนให้รู้สึกเหงาและวังเวงผมนอนคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยหวังว่าจะให้เสียงฝนช่วยกล่อมให้เคลิ้มหลับไปผมคิดวางแผนถึงวันพรุ่งนี้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างสักพักก็ย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตภาพลำดับเหตุการณ์ต่างๆ เริ่มเข้ามาในหัวของผมเรื่องแล้วเรื่องเล่าแล้วก็มาหยุดอยู่ที่เรื่องของน้องเอผู้หญิงที่ผมไม่เคยลืมแม่เหตุการณ์นั้นจะผ่านมาสองปีแล้วก็ตามในช่วงเวลาสี่เดือนที่ผมคบกับเธอนั้นแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ทำให้พวกเราผูกพันกันมากผมเจอกับน้องเอครั้งแรกตอนที่เธอเข้ามาฝึกงาน ในบริษัทที่ผมทำงานอยู่น้องเอเป็นคนมีอัธยาศัยดีใจบุญตั้งแต่ที่เราครบกันผมไม่เคยเห็นเธอโกรธใครเลยหลังจากฝึกงานครบสี่เดือนน้องเอกับผมก็เริ่มห่างกันเพราะเธอต้องกลับไปเรียนต่อส่วนผมทำงานอยู่ในจังหวัดสักแก้วนานๆจะได้เจอน้องเอสักครั้ง แต่เราก็ยังติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งปีจะโทษระยะทางที่ทำให้เกิดความหืนห่างหรือโทษที่ผมใจไม่มั่นคงพอก็ได้เพราะผมได้รู้จักและเริ่มคบกับผู้หญิงอีกคนซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนของน้องเอกทีพอน้องเอเริ่มระแคะระคายว่าผมกําลังคบหากับผู้หญิงอื่น เธอจึงโทรมาถามความจริงจากผมฟังจากเสียงพูดก็รู้ได้เลยว่าเธอเสียใจมากผมตอบไปตามตรงว่ากำลังคบคนอื่นอยู่จริงๆตอนนั้นน้องเอบอกให้ผมตัดสินใจเลือกคบใครคนหนึ่งเพียงแค่คนเดียวในใจผมตอนนั้นรู้สึกลังเลไม่อยากบอกเลิกทั้งน้องเอหรือผู้หญิงคนใหม่ น้องเอคงรู้ว่าผมยังเลือกใครไม่ได้ในที่สุดเธอจึงเป็นฝ่ายไปจากผมเสียเองเราเลิกลากันด้วยความเข้าใจคงเหลือไว้แค่ความห่วงใหญ่ที่มีให้กันแต่เพื่อความสบายใจสำหรับผู้หญิงคนใหม่ที่ผมคบอยู่น้องเอจึงตัดขาดการติดต่อจากผมทุกช่องทางผมจึงได้คบและแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่ ในเวลาต่อมาเวลาผ่านไปผมก็ใช้ชีวิตคู่ตามปกติจนกระทั่งวันหนึ่งผมประสบอุบัติเหตุรถชนหน้าค่ายทหารในอำเภอเมืองจังหวัดสากแก้ว แรงกระแทกรุนแรงทำให้ผมหมดสติไปเสียงไซเรนและแรงกระแทกเมื่อรถตกหลุมบนพื้นถนนทำให้ผมสะดุ้งตื่นก็พบว่าตัวเองนอนบนเปลในรถที่มีเครื่องมือแพทย์เต็มไปหมดฝั่งขวามือของผมมีผู้ชายอยู่สองคนสวมเสื้อกู้ภัยพวกเขากำลังช่วยกันจับเปลและประคองตัวผมเอาไว้ ระหว่างที่รถโครงเครงก็รู้สึกว่าศีรษะของผมถูกยึดไว้ให้นิ่งด้วยเฟือกคอผมรู้สึกชาไปหมดทั้งร่างหายใจแผ่วอ่อนแรงจนแทบจะลืมตาไม่ขึ้นแล้วผมก็เห็นภาพเรือนร่างของผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินนั่งอยู่ด้านซ้ายมือของผมผมหันไปมองแต่เห็นหน้าของเธอไม่ถนัดนัก เพราะติดเฟือกที่คอที่กําลังสวมอยู่ผู้หญิงคนนั้นเอื้อมมือมาจับที่มือของผมแล้วพูดว่าพี่อามเป็นอะไรมากไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าดีนะที่หนูอยู่แถวนี้พอดีไม่งั้นพี่ต้องแย่กว่านี้แน่ๆน้ำเสียงที่ได้ยินฟังดูคุ้นหูมาก่อนที่ผมจะนึกได้ว่าเธอคนนั้นเป็นใคร สติสัมปชัญญะของผมก็หมดลงอีกครั้งผมรู้สึกตัวขึ้นมาในห้องที่มืดสลัวมีเสียงพัดลมเพดานหมุนสายไปมาเมื่อมองไปโดยรอบก็เห็นคนไข้บนเตียงแต่ละคนนอนหลับกันหมดแล้วภรรยาของผมนอนอยู่ข้างล่างฝั่งขวาของเตียงบรรยากาศในห้องผู้ป่วยรวมเงียบเหงาและวังเวงมาก มีเพียงแสงไฟจากทางเดินหน้าห้องส่องผ่านเข้ามาพอให้มองเห็นภายในห้องได้เพียงเล็กน้อยเตียงของผมอยู่ห่างจากประตูทางเข้าพอสมควรตอนนั้นผมรู้สึกปวดที่มือขวาแต่ก็เริ่มขยับตัวได้บ้างแล้วจึงพยายามตะแคงร่างหันไปหาภรรยาแต่แล้วผมก็ต้องสะดุ n งเมื่อได้ยินเสียงคนเดินมาจากด้านหลัง ก่อนหน้านี้ผมได้มองดูรอบๆห้องแล้วว่าไม่มีใครตื่นอยู่เลยผมจึงพลิกตัวกลับไปดูด้วยความแปลกใจในความมืดสลัวนั้นปรากฏร่างของผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินกางเกงยีนขายาวเธอกำลังเดินเข้ามายัางเตียงของผมเมื่อเธอเดินเข้ามาใกล้ผมจึงได้เห็นว่า เธอนั้นคือน้องเอนั่นเองใบหน้าของเธอสวยมากสวยกว่าตอนที่ผมกับเธอคบกันเสียอีกน้องเอยิ้มและบอกว่าอาการของผมไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคืนนี้ก็ดึกมากแล้วเธอจะกลับไปก่อนแล้วจะมาเยี่ยมผมอีกทุกคืนพอพูดจบเธอก็เดินออกไปทางประตูผมจึงนึกได้ว่าน้องเอ ผมเป็นคนที่นั่งอยู่ในรถฉุกเฉินตอนนั้นนั่นเองผมรู้สึกดีใจที่ได้เจอเธอหลังจากที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วผมก็นอนหลับไปเย็นวันถัดมาพ่อกับแม่ของผมมาเยี่ยมผมบอกท่านทั้งสองว่าหมอให้นอนดูอาการอีกหนึ่งคืนสีหน้าของพ่อกับแม่ดูสดชื่นขึ้นเมื่อได้ยินว่า พรุ่งนี้ผมก็กลับบ้านได้พวกเราคุยกันได้สักพักหนึ่งก็หมดเวลาเยี่ยมเพราะจะต้องปิดประตูหลักไม่ให้คนนอกเข้าออกได้พ่อกับแม่กลับไปตอนสองทุมส่วนภรรยาก็เตรียมของมานอนเฝ้าผมเหมือนเดิมตกดึกขณะที่ผมหลับอยู่ก็รู้สึกเย็นที่ปลายเท้าเมื่อลืมตาขึ้นดูผมก็เห็นว่า น้องเอยือนอยู่ที่ปลายเตียงและกำลังเอามือขวาจับที่เท้าซ้ายของผมย่างแผ่วเบาเธอยังคงดูสวยมากเหมือนเมื่อคืนก่อนแล้วผมก็ถามไปว่าเธอเข้ามาได้ยังไงในเมื่อหมดเวลาเยี่ยมแล้วน้องเอยิ้มแล้วบอกว่าเธอเข้ามาทางประตูหลังผมสังเกตเห็นเธอใส่เสื้อผ้าชุดเดิมเหมือนเมื่อคืน แต่ก็ไม่ได้ถามอะไรน้องเอพูดต่อว่ากระดูกมือขวาของผมเคลื่อนเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอะไรมากพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านแล้วผมขอบใจน้องเอที่ยังมาเยี่ยมผมแม้ว่าผมจะเคยทำให้เธอเสียใจแต่เธอก็ไม่โกรธผมเลยน้องเอยิ้มแล้วก็พูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ผมนอนคิดทั้งคืนเธอบอกว่า คนเรามักจะจำสิ่งแรกกับสิ่งสุดท้ายได้ดีเสมอพี่อามคือคนสุดท้ายในชีวิตที่เอรักเอจะโกรธหรือลืมพี่ได้ยังไงจากนั้นเธอก็ขอตัวกลับวันรุ่งขึ้นผมกับภรรยาก็เดินทางกลับบ้านพร้อมยาถุงใหญ่ช่วงที่ผมลาหยุดเพื่อพากรักษาตัวที่บ้านผมพยายามหาทางติดต่อน้องเอ เพื่อจะขอบคุณที่เธอมาเยี่ยมผมตอนที่อยู่โรงพยาบาลแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่มีข้อมูลให้ติดต่อน้องเอได้เลยหลังจะกลาหยุดไปสามวันอาการผมก็ดีขึ้นจนสามารถไปทำงานได้แล้ววันนั้นผมก็ได้ไปถามช่องทางติดต่อน้องเอจากพี่คนหนึ่งที่เคยเป็นคนฝึกงานให้เธอ พี่คนนั้นทำหน้าตกใจมากตอนที่ผมถามแล้วก็บอกว่าน้องเอคนที่ผมบอกว่าเจอที่โรงพยาบาลเมื่อหลายวันก่อนเธอได้เสียชีวิตจากเหตุรถชนที่นาค่ายทหารจังหวัดสากแก้วได้เดือนกว่าแล้วเมื่อผมได้ฟังก็ใจหายแวบไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่ได้ยินพี่คนนั้นจึงหยิบโทรศัพท์มา เพื่อเปิดหน้าเฟซบุ๊กของน้องเอให้ผมดูในนั้นมีแต่คากล่าวไว้อะไรจากเพื่อนๆของเธอเมื่อมองดูเวลาของโพสต์ต่างๆก็เห็นว่ามันผ่านมาเดือนกว่าแล้วจริงๆผมตกใจเข่าอ่อนสุดตัวลงไปนั่งกับพื้นเมื่อได้รู้ว่าน้องเอถูกคนเมาขับรถชนเสียชีวิตในทันทีตรงจุดเดียวกับที่ผมประสบอุบัติเหตุ จนต้องเข้าโรงพยาบาลผมย้อนกลับไปคิดถึงคำพูดที่น้องเอบอกผมตอนที่อยู่บนรถชุกเฉินว่าดีนะที่เธออยู่แถวนี้พอดีไม่อย่างนั้นผมต้องแย่กว่านี้แ น, แน่ใจผมเริ่มสัน่นน้ำตาคลอเบายิ่งคิดถึงน้องเอที่ไปเยี่ยมผมมันยิ่งทำให้ผมเศร้าหนักมากจนไม่มีแรงจะทำงาน ช่วงบ่ายของวันนั้นผมจึงลางานออกไปเพื่อทำบุญวิธศ ส, ส่วนกุศลให้น้องเอธิวัดน้องเอมาช่วยผมไว้จากอุบัติเหตุร้ายแรงในวันนั้นและยังเป็นห่วงมาเยี่ยมผมทุกคืนที่อยู่โรงพยาบาลเพราะผมคือคนสุดท้ายที่เธอรักก่อนที่เธอจะเสียชีวิตนั่นเอง หัมภัทสีย